ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสิ่งทรจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกาลังนำเสนอวาทะของพระเทระคือพระา ญ, ญาโกลทัญญาคือจุดเริ่มต้นช่วงนี้ก็ท่านได้เห็นเหตุการณ์พฤติกรรมของลูกศิษย์ สัตวิเวริกหมายความว่าท่านเป็นอุปชัายะแต่ก็ไม่ได้อยู่รวมกันประเจราอยู่ที่สัจทันที่ปาหิมพผ่านแต่สัตวิเวริกก็อยู่ในที่แห่งหนึ่งเกียงแต่ว่าท่านรู้เห็นด้วยที่ประจักษสุ ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของภิกษุรูปนั้นก็ต้องการจะทำหน้าที่ของอุปชายยะซึ่งจะต้องมีความเมตตาอินดูรักใคร่สงสารต่อสัิวริกซึ่งเหมือนพ่อที่ต้องทำต่อลูกนั่นเองท่านก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนให้สติ จนถึิงก็บอกว่าคุณญาณได้ทำอย่างนี้เลยโยงละมิตรที่เลวสามเสียข็ห า, ากรยาณมิตรบำเพ็ญสมณธรรมเถอแต่ภิกษุรูปนั้นก็ไม่เชื่อพระเทระก็เกิดสลดใจขึ้นด้วยความไม่เอื้เฟื้อของเธอเมื่อจะตำหนิข้อปฏิบัติที่ผิด แต่ทีนี้ข้อปฏิบัติที่ผิดมันเป็นหลักการเป็นนามธรรมมันต้องมีคนปฏิบัติให้ผิดก็ปฏิบัตินั้นจึงชื่อว่าผิดการพูดการแสดงจึงต้องแสดงในเชิงที่เป็นปุกาลาทิฏฐานคือยกตัวตนของบุคคลขึ้นมาเป็นหลัก พระเถรประรบเรื่องนี้แล้วก็ได้กล่าวไปตามลำดับเพราะว่าเรื่องมันกำลังจะจบก็จะทบทวนข้อความที่ท่านกล่าวมาโดยลำดับเพื่อเป็นการเสนอทางออกให้สติวิริคิดเอามันมีทางเลือกได้ทั้งสองทางนะคุณจะเอาตัวอย่างใครล่ะพูดง่ายๆว่าคุณจะคบคนพานหรือว่าจะคบบัณฑิต ล้วก็มีคนอยู่ในโลกสองประเภทแม้ที่บวชเข้ามามันก็มีสองประเภทคือเป็นผานกับบัณฑิตประการแรกท่านแนะถึงเหตุพฤติกรรมอาการแล้วก็ผลสุดท้ายของคนผานว่าเป็นอย่างไรในความว่าพิสูผู้มีใจฟุ้งซ่านกลับกรอก ก็พาแต่มิตรที่เลวสามย่อมถูกคลื่นซัตดจมอยู่ในพ่วงน้ําใหญ่คือสังสารวัตรก็หมายความว่าคนที่ประมาทพูดง่ายกว่าคนที่ประมาทพฤติกรรมทั้งหลายก็จะอยู่ในกลุ่มของทุจริตทั้งหลายทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจเราเห็นว่าในทีน่นี้ฟุ้งสั้นเป็นอาการทางจิต กระปรอกนั้นแสดงออกมาทั้งจิตทั้งวาจาและทั้งกายขบหากาลยมิตรก็เรก็หาปาปมิตรก็คือร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมร่วมผลประโยชน์กับพวกกัลยาณพวกปาปมิตรเหล่านั้นก็เป็นพฤติกรรมเป็นอาการ ผลที่จะได้นั้นแน่นอนว่าย่อมถูกคึ้่นซั์จมอยู่ในห่วงน้ำใหญ่คือสังสารวัตรก็หมุนเวียนบ่านตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรซ้ำซ้ำซากๆหาจุดจบไม่ได้จาบใดที่ท่านยังไม่เลิกคบคนผานคนเลวเป็นมิตรกรณี ก, ก็ที่จริงก็สอดรับกับหลักของมงคลสูตรข้อแรกนั่นเอง ที่ทรงแสดงว่าการไม่คบคนผ่านเป็นอุดมมงคลซึ่งหมายความว่าการควบคนผ่านก็เป็นอับประมงคลกรณนนี้แสดงถึงผลที่เกิดขึ้นจากการครบคนณผ่านก็ต่อไปก็ยกตัว อ, อย่างคนที่ทรงกันข้ามก็คือคบบันดิต์เราว่า ส่วนภิกษุผู้มีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่กลับกรอกมีปัญญารักษาตนสำรวมอินทรีย์ข้อผาแต่กัลยาณมิตรเป็นนักปราศสามารถทำที่สุดแห่งทุกได้คือหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็เป็นทางเลือกสองทางกุล ค, ควางก็ได้ยินทั้งสองทางแต่ปัญหาวะท่านจะเลือกเอาทางไหน คนเรานายุปัจจุบันเองมันก็เหมือนกันคือได้ยินทั้งสองทางได้รู้ได้เห็นทั้งสองทางพฤติกรรมของเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมกับเราก็มีพฤติกรรมที่ทั้งบวกทั้งลบปัญหาว่าเราตัวอย่างใครละ่ะเป็นหลักในการดาเนินชีวิตแต่ข้บผ่านผ่านก็พาไปหาผิดคว บ, บัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลประการต่อไปนั้น ท่านก็ยกตัวอย่างถึงคนที่จิตใจมัฟุ้งซ่านคือครอผามสมาคมกับบัณฑิตว่านารชนผู้มีตัวสะพรังไปโดยเส้นเอ็นมีความยิน ด, ดีในวิเวกเป็นผู้รู้จักประมาณในข้าวในน้ำมีใจไม่ยอดทอกมาความมา ถ, ถ้าคบบัณฑิตแล้วบัณฑิตก็จะแนะนำออกมาในลักษณะนี้ เหนื่อยหน่อยต้องอดทนหน่อยต้องใช้ความเพียรหน่อยต้องมีอธิษฐานต้องมีสัจจะมีการตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวมุ่ง ม, มั่นไปสู่ผลที่ตนต้องการในขณะที่ประพฤปฏิบัติพัฒนาตัวเองอยู่นั่นแหละท่านก็บอกว่าถูกเลื้อยยุงทั้งหลายกัดอยู่ในป่า ย่อมเป็นผู้มีสติอดกลั้นได้อยู่ในป่านั้นเหมือนช้างอดทนต่อสัตราในสงครามได้เช่นั้นแล้วก็มาปรารกฏ ต, ตัวท่านเองว่าท่านเองนั้นไม่ได้กลัวความตายแต่ในขณนะเดียวกันก็ไม่ได้เพลิดเพลินในความเป็นอยู่หรอก เพราะท่านไม่มีอัตตาตัวตนที่จะให้รู้สึกกลัวหรือรู้สึกเพลิดเพลินเวลานี้ท่านก็ครองชีวิตรอคอยความตายที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับลูกจ้างที่ต้องทำงานไปก็รอคอยรับค่าจ้างจากนายจ้าง ท่านบอกว่าเราไม่ยินดีความตายทั้งไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่แต่มีสติสัมปชัญญะสติตามปกติแล้วก็จะเน้นไปที่การใช้สติอยู่ในหลักของกายเวทนาจิตธรรมคือหมายความว่าสติระลึกรู้กำกับที่การกระทำตลอดถึงภาพลักษณ์ของชีวิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดเพล่ดเพลินชื่นชมยินดีเอ่อเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจนถึงกระเบียดเบียนปะทุสลายกันแท้ที่จริงแล้วร่างกายเราก็เป็นปูติสันเดโหคือกายเน่าจะต้องเปิดหน้าปุพันไปตามกาลก็ไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นานๆ ชีวิตเราส่วนใหญ่ก็ตายตั้งแต่ช่วงต้นๆช่วงกลางๆส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไปตายตอนปลายแต่ตายตอนปลายก็ตายเพราะชาราจริงๆหมายความมาแกงงอเพราะชารา พ, าพูดก็พูดง่ายๆว่าเพราะโรคชาราใครก็ตายไม่ใครก็ตายดังนั้นคนที่อยู่ด้วยมีสติ ระลึกอยู่ที่กายในการหายใจเข้าออกในรยาบททั้งสี่ในรยาบททั้งหลายแล้วก็มีปัญญาพิจารณาถึงอาการเกิดดับของสิ่งเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็ดูส่วนประกอบของร่างกายที่ประกอบด้วยผมขนและวันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้น โดยส่วนประกอบของร่างกายที่แยกออกเป็นสี่ประเภทคือดินน้ำลมไฟจนถึงกระดูร่างกายของสาศพในป่าชาซึ่งปรากฏรูปลักษณ์ต่างๆมิปริตแปรผันไปตามการเวลาหรือตามการเกี่ยวข้องกั บ, กบสัตว์อื่นกับสิ่งอื่น จึก็ทิ้งอยู่ในป่าชา้าแล้วก็ถูกสัตว์กัดกินถูกอีแร้งกัดกินถูกสุนัข ก, กัดกินอะไรเนี่ยไอรูปลักลักเหล่านั้นมันก็แปรผันไปตามการจิกการกัดการกินของอีแร้งของอีกาของนกตะกลุมของอะไรเนี่ยโดยจากนั้นก็จะไประลึกอยู่ที่เวทนา หรือการที่จิตเสวยอารมณ์ตามปกติแล้วในที่อื่นเนี่ยจะส่งแสดงเวทนาหลักเวทนาหลักสามหรือห้าเนี่ยเก็แสดงสามหรือห้านี่มากแต่ถ้าถึงขัน้นเจริญกรรมฐานจเจริญเวทนานุปสราคสติปัฏฐานก็จะแยกเวทนาเป็นเก้าซึ่งกหมายความว่าสติต้องดีมากสัมปชัญญะต้องดีมาก เราก็เห็นเวทนาที่ปรากฏแก่กายและแก่จิตของเราก็ปรากฏที่กายอนะั่นแหะอาการที่เห็นคล้ายๆกับที่กายแต่ว่าจิตเป็นตัวเสวย อ, อารมณ์เวทนาเหล่านั้นประตูวเวทนาเจตสิกจริงๆมันปรุงจิตไม่ได้ปรุงกายกายถ้าเราไม่ยึดมันก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นธรรมดาของ สังขารร่างกายเป็นอย่างนั้นพอกายเราปวดเราก็รู้สึกว่าเราปวดเราเมื่อยเราเข็ดเรายอกเราขัดอะไร ต, ะ ต, ะ ต, ะ ต, ะตะ่ออะไรต่างๆเพราะใจเราไปผูกพันว่าเป็นเวทนาของเรามันก็ออกมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างแล้วก็เจือด้วยเยื่อบ้างไม่เจือด้วยเยือบ้าง สรุปแล้วก็เป็นห้าประเภทเป็น9้าประเภทด้วยกันแต่ว่าตอนต้นๆ น, นั้นก็ดูง่ายก่อนก็ดูที่สุขที่ทุกข์กับไม่ทุกข์ไม่สุขตามที่ปรากฏในขณะนั้นๆแล้วเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเวทนาที่ไม่คงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจากนั้นก็ดูที่จิต จิตเหล่านั้นจะถูกปรุงด้วยกุศลเจตสิกหรืออกุศลเจตสิกที่ให้ดูเนี่ยเน้นหลักตรงนี้จิตมีราคาก็รู้ว่ามีราคะไม่มีราคาก็รู้ว่าไม่มีราคามีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะจิตสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเป็นต้น แล้วก็ด้วยไปจนถึงธรรมะผลการปฏิบัติกรรมฐานของเราที่จริงพูดง่ายๆว่าการปฏิบัติธรรมะของเราแล้วก็อยู่ที่การครองชีวิตอย่างมีสติกำกับการครองชีวิตจะมีสติกำกับก็คือการครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเองระสติแปวลว่าซานไปหรือแผ่ไปของจิต มันก็เป็นอาการที่ออกมาในรูปของไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคไม่ประมาทในการละทุจริตประพฤติสุจริตที่สาคัญก็คือไม่ประมาทในการลาะความเห็นผิดทำความเห็นของตนให้ถูกต้องจนถึงก็มีสติรู้ทันอารมณ์ชี้เราสัมผัสในแต่ละขณะ โดยระวังจิตไม่กำหนัดไม่ให้ขัดเคืองไม่รุ่มหลงไม่มวมเมไม่อารมณ์ที่เราสัมผัสในขณะนั้นๆนั้นด้นการใช้สติก็คือไม่ประมาทนั่นเองสติกับปัญญาเขาเป็นธรรมะคู่ไม่ประมาทก็แสดงว่าเรามีปัญญาที่เรามีปัญญานี่แหละเป็นเหตุหเราไม่ประมาท ในที่นี้ทรงใช้ามาสัมปชัญญะมีการจําแนกออกไปเป็นมีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เรียกว่าศาสตกะสัมปชัญญะอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโครจรสัมปชัญญะ คือรู้ว่าทางไรควรไปไม่ควรไปใครควรครบไม่ควรครบความคิดอะไรควรคิดไม่ควรคิดมันวิจัยได้แล้วก็หยุดตัวเองได้แล้วก็สัปพายะสัมปชัญญะรู้ว่าอาหารเป็นอะไร <S <S เป็นที่สบายที่อยู่อย่างไรเป็นที่สบายอิริยาบถอย่างไรเป็นที่สบายอากาศอย่างไรเป็นที่สบายอฤดูอย่างไรเป็นที่สบาย เพราะถ้ า, าว่าเราสูญเสียแทงด้วยร้อนจัดด้วยหนาวจัดด้วยหิวจัดด้วยกระหายจัดอะไรมากๆแล้วเราก็เอาไม่อยู่หรอกแม้ภาวนาพุโทโธก็แตกคือไม่สามารถสนุบอยู่กับบทภาวนานั้นได้จิตมันแวัดไปแวบบมาแวบบมาแวบบไปในที่สุดก็หลงทางนั่งภาวนาก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เอาไม่อยู่ ไปเคลนที่เราเอาเขาอยู่จริงๆเนี่ยมันก็มีไปมากหรอกส่วนใหญ่เราก็เอาไม่เขาอยู่บ้านพรู บ, บาอาจารย์ท่านจึงฝึกกันนานฝึกกัดจากการเป็นเลนน้อยๆจนหนุ่มจนเป็นผู้เท่ากว่าจะได้หลักให้แก่ใจก็เป็นอิสระต่ออารมณ์เหราั้นไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์เรา และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสัมปชัญญานั่นจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอสามโมหะสัมปชัญญะคือสามารถขจัดความหลงออกไปจากใจได้มีความชัดเจนมีความแจม่มใสไม่ผิดพลาดในเรื่องหล่านั้นไม่ว่าอารมณ์จะเกิดขึ้นมาอย่างไงก็ตามก็มีความชัดเจนวยใจของตัวเอง วันเมื่อครองชีวิตยังมีสติเมื่อไรก็เมื่อนั้นหมายความว่นเราตายยังมีสติเนี่ยตายเมื่อไรก็เมื่อนั้นก็ไม่ได้ว่ากันนานมาแล้วที่เคยเล่าให้ฟังว่าไปเยี่ยมพระอาจารย์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชยยุทธ ก็ไปจับมือจับเท้าท่านดูแล้วก็คุยกันด้วยความแจ่มใสะนะฮะก็ไม่มีข่าวว่าท่านจะมรณภาพหรอกตกรังดึกก็มีวิทยุประกาศว่าท่านมรณภาพไปแล้วลุงเงนชาก็ไปรับศพจิวัตราชาที่วัด เขาก็หามมาตอนจะขึ้นศาลาดนี่เขาหามเราก็ยืนรออยู่ข้างบนมองลงมาข้างล่างรู้สึกดีใจตื่นเต้นชื่นชมกับท่านพี่ท่านนอนอย่างคนหลับเหมือนก็ยิ้มมาน้อยแล้วก็ไม่มีข้าวของคนตายก็คล้ายๆกับคนป่วยนิดหน่อยแต่ก็นอนหลับไป ก็แสดงว่าท่านก็ไปอย่างมีสติตอนที่เราคุยกันอยู่ตอนนั้นก็คุยกันอยู่นานนะเกือบเชื่องคืนบอลก็มอกราบกันมาแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงท่านก็ตายนั่นก็แสดงว่าท่านก็อยู่อย่างมีสติตลอดไม่ได้เปเร่หลงลืมทั้งพลาดตอนอุปชาก็มีลักษณะอย่างนั้น อุปชาท่านถูกเจาะที่คอแต่ท่านก็เจ็บในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงทีวัดเป็นห่วงกุติเป็นห่วงลูกศิษย์อะไรต่างๆก็เลยเกิดไปนั่งคุยกับท่านบอกว่าท่านอุปชาอย่าไปคิดเรื่องอื่นเรื่องทั้งหมดนั้นผมรับผิดชอบให้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามเกิดขึ้นผมจะจัดการให้รับผิดชอบให้ ตอนนี้ให้ทนุประชาอยู่ดูที่รอยแผลเจาะตั้งสติระลึกรู้อยู่เฉพาะที่แผลเจาะท่านั้นเองดูเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นท่า น, นก็พยายามอยู่พยายามแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็ตั้งหลักได้นอนนิ่งนะฮะนอนนิ่งอยู่แล้วก็ตายไปด้วยความสงบ เราก็ทำหน้าที่จัดการจากภากิจศพให้ทันเรียบร้อยนี่แสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตโดยมีสติสัมปชัญญะเป็นหลักปรัญญาโกนตัญญานั้นท่านเป็นพระอรหันต์แน่นอนท่านก็สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ว่าการสื่อสารอย่างนี้ต้องการสื่อสารในแง่ของชีวิต เรียกว่าปุกาลาธิฏฐานแต่กว่ายกตัวอย่างท่านว่าท่านเองนั้นท่านไม่ยินดีกับความตายไม่เพลิดเพลินกับความเป็นอยู่แต่ก็มีสติอยู่กับชีวิตรอคอยตายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นกันก็เรียกว่าไม่ว่ากัน แล้วก็มาประรบถึงผลสำเร็จที่ท่านได้สัมผัสมาแล้วประการแรกก็คือว่าพระศาสดาเราได้อยู่ใกล้ชิตแล้วได้ยลืมนะฮะว่าพระศาสดาเนี่ยต้องเห็นธรรมะเราบวชจะกี่ปีก็ตามถ้าเราไม่เห็นธรรมะ ไม่เห็นการลดลงของกิเลสไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของนิโรธเพิ่มเพิ่มขึ้นของธรรมะไม่เห็นการลดลงของความทุกข์ไม่เห็นการเพิ่มพื้นขึ้นของส่วนมรรคษัตริย์ก็แสดงว่าเรายัางไม่เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระวักกลิเพืติดตามเพ่งดูพระพุทธสริยะอยู่ทุกนทุกแห่ ด้วยความชสน่าหาด้วยความชื่นชมยินดีในสรีระของพระพุทธเจ้าในช่วงแรกพระพุทธเจ้าก็ปล่อยให้ดูไประยะหนึ่งพอเห็นว่าเธอเดิติดไปที่แล้วไม่เห็นไม่ได้แล้วการสับกระสายไปแล้วมันชักเยอะมากไปเลยรับสั่งในทํานองขับไล่แหละว่ากะลิภิกขุจงถอยออกไป จะมาดูยัยร่างกายตถาคตเป็นของเปือยเน่าผู้ได้เห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ได้เห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมวันพระเทระที่ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือได้สัมผัสสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสัมผัสพระเจ้าสัจจรย์อริยสัจสีท่านก็รู้อริยสัจสี่ด้วยการฟังจากพระพุทธเจา้า พุ้าดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงท่านก็ดับได้มันเพลิงกิเลสและเพลิงทุกอย่างสิ้นเชิงท่านก็เป็นอนุพุทธแปลว่าสัตรูตามพระพุทธเจา้ารู้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าเห็นมันก็สูงสุดของข่าชีวิตแล้วตายเมื่อไรก็ได้เพราะเป็นการตายนั้นคือการตายที่เรียกว่า ตายอย่างแท้จริงคือไม่มีปัจจัยอะไรต่างๆเป็นองค์ประกอบให้ท่านเกิดอีกกิเลสก็ละแล้วกรรมก็ละแล้วสองอย่างนี้ไม่มีวิญญาณก็ไม่เกิดนามรูปก็ไม่มีกระบวนการปัจจัยการก็ดับสายเกิดนะั่นก็ดับเพราะมันมาอยู่ในสายดับดับมาจากอวิชชา แล้วสรังขางนหับดีน้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทําสาเร็จแล้วหมายความว่าเกิดญาณรู้เห็นในเอรียสัตสีตามความเป็นจริงรู้ว่านี่ทุกข์มีเหตุเกิดแห่งทุกข์มีความรับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกข์ที่เรียกว่ากิจญาณ แล้วก็รู้ว่าทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมักควรเจริญที่สาคัญอย่างยิ่งคือท่านรู้ว่าทุกที่ควรกําหนดรู้ท่านได้กาหนดรู้แล้วสมุทัยที่ควรละได้ละแล้วนิโรธที่ควรทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งแล้วมักที่ควรเจริญท่านก็ได้เจริญในสมบูรณ์ก็หมายความว่า ไม่มีขันให้ยึดอีกแล้วไม่มีทั้งสิ่งที่เรียกว่าของเราด้วยอำนาจการตัญหาไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นเราหรือเราเป็นด้วยอำนาจความอนะไม่มีสิ่งที่ยึดถือเป็นตัวตนเป็นอัตตาเที่ยงแท้ถาวรยืนโรงไม่แปรผัน เข้าไปอยู่รวมกับปรมาตามันอะไรต่างๆต่างๆอย่างที่พวกพราหมณ์ก็สั่งสอนกันในสมัยนั้นจริงเหล่างนี้ก็ถูกดับไปก็ยังเคยยกตัวอย่างมาหลายครั้งคือข้อความมันเหมือนกันทุกแห่งนั่นแหละแต่ว่าความว่าข้อความในอารัตตลักษณสูตรนี่มันเห็นภาพพระสงฆ์ขยายความพิสาน ทรงเรียงมาตั้งแต่เป็นอนัตตากาหน้าเป็นอนัตตาแล้วก็นำก็สูญจังทุกขังรวมก็เป็นอนัตตาในขณะเดียวกันกิเลสมันก็จางาไปไปคลายไปบรรเทาไปในตอนแรกก็ทรงให้เหตุผลที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเข้ามานั่นแหละแล้วสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย แต่ความโดยสรุปนะรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายการห้านั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนไม่เป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนว่างจากตัวตนถ้าการห้าจากเป็นอัตตาคือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วคณะมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแปรผัน เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นประษั์ก็บงการได้สั่งการได้การงานขอเราจงเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างอื่นนะจงเป็นอย่างนั้นนะอย่าเป็นอย่างนี้นะอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะถ้าตายต้องไปเกิดในสวรรค์นะเอายาดพี่น้องเราไปด้วยอะไรอะไรต่างๆเขาพูดได้แต่ว่าสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตามันก็ เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยใครก็ไม่สามารถจะตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นตามที่ตนปรารถนาได้หลืจากนั้นก็รับสั่งถามบาปิสุทังหลายเธอคิดเรื่องนี้อย่างไรขันห้านี้นเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงบัญดาพี่ก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจา้ากะ สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าท่านก็บอกว่าเป็นทุกข์ะเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่เราจะไปยึดถือว่ามันเป็นของเรามันเป็นเรามันเป็นตัวตนของเราของเราก็คืออยากได้เราเป็นก็คืออยากใหญ่เป็นตัวเป็นตนของเราก็คือใจจะขับแค่ ย้ายความสำคัญแก่ตัวเองเราลองสังเกตถึงว่าคนบางคนทำชั่วทำผิดอะไรผิดกฎหมายกันต้องๆเลยชัดเจนกฎหมายบัญญัติไว้อย่างงั้นแต่เขาไม่เคยผิดเก็กลุ่มกันได้ทำเป็นนักเลงใหญ่คมคู่คุกคามคนนั้นคนนี้คนโน้นจนถึงก็อยคว้าอำนาจทางการเมือง เพื่อจะกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองมาติดฝ่ามือปิดผ้าด้วยฝ่ามือเพราะว่ากันตามความจริงความชั่วคือความชั่วคนเราไม่สามารถจะหลีกหนีกรรมได้ครับกับสังคมนั้นเถออาจจะชนะได้อย่างที่เราพูดกันว่าชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรผลคนที่ชนะมันก็อาจจะ อใช้ความชนะสิทธิในความชนะซึ่งมันไม่มี่ไปฆ่าไปทำลายคนทั้งหลายเป็นนั้นมากคนหนึ่งก็ถูกชี้หน้าสั่งการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นเป็นไม่เป็นไม่รู้วะฉันบอกให้เป็นเธอก็ต้องเป็นน่ะแต่พอถึงคราวที่บาปกรรมมันจะให้ผลมันจะให้ตามที่เป็นจริง มันไม่ได้ใช่อารมณ์เนี่ยกรรมไม่ได้ใช่อารมณ์กรรมมันใช่กฎมันเป็นกฎก็ไม่รู้แหละเสอวัดก็คืบมาบอกว่ายาวท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเอาไม้บรรทัดมาวัดมันจะลงตัวถูกก็ถูกผิดก็ผิดผิดจากไม้บรรทัดไม่ใช่ผิดจากคนอื่นเขาว่าด้านความคิดเหล่าเนี้เราจะเห็นว่าที่จริงเราก็คิดผิดทใงนั้น เราอยากได้มันจบลงที่ไม่ได้หรืออยากเป็นจบลงที่ไม่เป็นเราปฏิเสธหรือว่าเราใจคับแคบมันก็เธอต้องประสบผลกรรมโดยตัวกันเธอเองจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าเปรตนั่นแหละพิสูจ์ทั้งหลาย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 ซึ่งก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงแก่ท่านตอนธมรรม ก, กรัตวันสตรเพี่ยนแต่ทรงขยายลำดับเรียงลาดับไปขั้นตอนซึ่งที่จริงมันเป็นเรื่องขนาขนาว่าดูกนปิสุทั้งหลายเลียสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ยอดนายในรูปนายในเวทนานายในทัญญานายในสังขาร น, นายในวิญญาณเมื่อนายก็จะคลายกำหนัด พอคลายกำลังนี่จิตก็จะพ้นเมื่อจิตพ้นก็ก็จะเกิดยานขึ้นมาว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้จากนั้นยานก็จะพุดขึ้นมาว่าจ่าสิ้นแล้วการละชั่วประพฤติ ด, ดีจบแล้วกิจที่ควรทําเกี่ยวกับการละชั่วประพฤติ ด, ดีทั้งหลายก็ไม่มีครับ แมนะ้ท่านจะทำดีสักเท่าไหร่ก็ตามไม่ถึงว่าไม่ถือว่าดีคือไม่เป็นบุญซึ่งเป็นเหตุให้บังเกิดในพบมันเป็นศักด์แต่ว่ากิริยาที่เกิดขึ้นด้วยกุศละเจตนาภายในใจที่สมบูรณ์ขอบด้วยกรุณาต่อสรรพสัตว์เพราะั้นกิด ในลักษณะใดก็ตามที่ท่านทำมันก็สักแต่ว่าเป็นการทำแต่ว่าเรื่องบาปนั้นไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่ากิเลสเป็นเธถ้าทำบาปมันไม่มีตอนเวลานี้ขณะที่ท่านพูดนะ่ยหมายความว่าท่านปรุงภาละได้แล้วการเคยยึดแบกว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราสังขารของเราวิญญาณของเรามันได้หมดไปแล้ว เพราะการเหล่านี้มันมันสืบเนื่องมาจากตัณหาตัณหาแปลว่าอาการที่จิตดิ้นรนทะเยอทยานอยากโดยเช่นว่าความอยากได้เนี่ยมันก็เป็นตัณหาความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมันก็เป็นภาวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นวิภาวะตัณหาก็หมายความว่าเกิดมาจากความรักความชัง แล้วก็ใช้อารมณ์ของตัวเองเป็นเครื่องมือในการตัดสินภาระหนะักคือขันห้าที่แบกเนี่ยแบกในฐานะของเราแบกในฐานะเป็นเราแบกในฐานะในตัวตนของเรามันไม่มีให้แบกมันไม่รู้สึกอย่างที่เคยรู้สึกมาในการก่อนปัญหาเป็นตัวนําไปสู่พบน้อยพบใหญ่ตามปริมาณความเข้มข้นของตัญหา หมายความมาถ้าตัณหาเข้มข้นสูงนี่พบภูมิก็จะต่ำถ้าตัณหาเข้มข้นต่ำพบภูมิก็จะสูงแต่ศาสใดที่ยังไม่หมดตัณหาการเวียนว่ายตายเกิดในพบในภูมิก็ต้องมีอยู่หยาบกลางละเอียดเป็นรายละเอียดจากนั้นท่านก็มาประรบสธิบริของท่านนี่แหละประรบคนทั้งหลายว่า ประโยชน์ที่กุลบุตรผู้ออกอยากเรือนมาบวชเป็นบนรรพชิตต้องการกันเราก็ได้บรรลุแล้วตามลำดับหมายความมาเจตจำนงที่บวชเข้ามาในโบราใ น, นแสดงจำนงชัดอย่างที่พระอัญญากชนน์ทันดาทันชยัย ข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าเราสั่งว่าเธอจงเป็นพิกษสุมาเถิดทำมารอกล่าวดีแล้วจงประเพริโรรมาจันเพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดันแสดงเจตนาดลว่านิ บ, บานาสะสัจจิกริยายะ คือกระทำนิพพานในหะ้แจ่มแจ้งหมายความท่านบรรลุ ป, ประโยชน์แล้วคือเรื่องของท่านเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็มากล่าวว่าเราต้องการอะไรด้วยสัตธยบริกอีกเล่าคือสัตธเวริกเนี่ยมันเป็นคนที่เราต้องการอนุเคราะห์ทันอันเด็กถ้าเราไม่มีใจคิดอนุเคราะห์เราก็ไม่จําเป็นจะต้องมีคนหล่อนี้ อย่างพระในปัจจุบันที่บวชเข้ามาเอาเด็กมาอยู่ช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเรื่องอาหารเรื่องโครงเนืงขมเรื่อ ง, มองสมุดดินสอค่าละเรียนต่างๆไม่มีลูกอ่ะบวชมาเพื่อไม่มีลูกแต่ก็ต้องมีลูกศิษย์แล้วก็เอาขาจรในลูกศิษย์มากกว่าลูกจี ถ้าเราเป็นคนแปลกนะแต่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งอยู่อย่างหนึ่งคือสังเกตมานานแล้วว่าสติวริกันเตวสิกนี่จะรักครูบาอาจารย์แต่คอรบนักถือครูบาอาจารย์ไปถึงลูกไปถึงหลานนะฮะอยู่ดานานเราก็เป็นหลวงปู่แหละลูกของลูกศิษย์ก็เรียกลุงปู่ เจอก็ให้ความเคารพแถือตามพ่อของเขาเจอกระลูกกระลุกสิเจอกระลุกสิเนี่ยนะฮะเขก็มีลูกมาด้วยลูกสิก็ชี้เอาไหว้หลวงปู่แกก็รีบมาเลยนะฮะข้าสนิสนิทสนมก็แปลกเกิดทีวรู้สึกว่าแปลกก็แสดงว่าอยู่ที่บ้านก็พ่อเของเร่าให้ฟังจากการสังเกตมานานแล้วจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเรียกลุงปู่สนิทปากทีเด อยากหลวงปู่สนิทปะนั้นเราต้องการอนุเคราะห์เดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยมันลดลงจนหน้าเป็นห่วงวัดแต่ละวัดทางภาคใต้เนี่ยมีพระรูปเดียวในี่เยอะทางภาคอีสานก็เยอะอร้างไปแล้วห้าร้อยห้าพันประวัติมันก็มีความคิดว่าทำยังไงล่ะมันจะประสานกับรัฐบาล แก่พระราชบัญญัติการไปรูปการศึกษาให้มีความชัดเจนว่าการศึกษาของพระภิกษุสามเณรก็เป็นเส้นทางหนึ่งของการศึกษาของรัฐรัฐในการสนับสนุนการศึกษาเลวเวมอิสลามอย่างไรก็ต้องสนับสนุนการศึกษาของพระเนตรอย่างนั้นแล้วก็สามารถจะเรียนไปที่ปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกได้เลย จะอยู่ก็เป็นคนมีคุณภาพจะศึกไปมันก็เป็นสมบัติของแผ่นดินอยู่แล้วศึกไปก็เป็นประโยชน์ของแผ่นดินแล้วก็ใช้วิธีไปประสานกับโรงเรียนปฐมนะ่ตอนป .6 อาจจะจัดบวชผากฤดูร้อนขึ้นมา ให้การอบรมแนะนำสั่งสอนชี้แนะเพื่อเด็กตัดสินใจว่าจะมาทางนี้ก็ได้นะจะออกไปทางโน้นก็ได้แต่ว่าอยู่ที่วัดนี่เราจะเห็นว่ามันก็ประหยัดอะไรขึ้นไปเยอะอาเย็นไม่ต้องมีแล้วก็เครื่องนุ่งห่มก็ไม่มากและส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องซื้ออะไร เราก็ต้องการจะให้เด็กเหล่านี้คนหนึ่งอยู่สื่อประยุกร์ศาสนาวนหนึ่งก็คือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่ให้หนักเกินไปเพราะว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่แล้วัวนพักเร็ทำงานนี้มาตั้งแต่โบราณนะนโบราณน้นเอกะาเลมาแล้วทุกวันก็ยังเหมือนเดิม อางทสมเด็จที่วัดสมเด็จวรรณรัตน์เขาได้รับเลื่อนสมณศักดิ์สถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จ ร, ราชคณะตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองนะลูกศิษย์ก็แห่กันมาวันที่เจ็ดเห็นก็ยังเยอะเลยเวียนข้าวเวียนออกเวียนข้าวเวียนออกแสดงมุทิตากับครูบาอาจารย์เขาเป็นลูกของลูกศิษย์เป็นหลานเขาลูกศิษย์เป็นตัวลูกศิษย์ นะบวชมานานมันก็มีลักษณะอย่างนีน้อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่น่าถึงเธออาจจะเถียงพ่อแม่นะแต่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเขาไม่เถียงก็จะต้องเคารพรับฟังบางทีเขาก็ทะเลาะกันเองที่บ้านมาฟ้องครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็พูดให้คิดให้หลักให้เหตุผลต่างๆ เพ่อในการที่มีสัตว์ทีบริสิกนี่เพื่ออนุเคราะห์เขาแต่เมื่อแกทําตัวอย่างเนี้ยแกประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการอนุเคราะห์เขาจริงๆเพื่อให้ได้รับผลตามเจตจำนงที่มุ่งบวชเข้ามาแล้วเธอไม่ย่อนทําตามเนี่ยไม่ย่อนทําตามมีทําไมมันเหมือนกับการมีลูกนั่นแหละที่ท่านบอกว่ามีลูกชั่ว ไม่มีลูกแล้วก็มีลูกตายมันก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งการมีลูกชั่วนั้นก็เป็นทุกข์เปล่าการไม่มีมีลูกแต่ว่าลูกตายไปก็เสียใจระยะหนึ่งการไม่มีลูกมันก็ต้องปรับตัวเองเพราะว่าเป็นเรื่องบุญทํากราแต่งที่ควรจะต้องเจอไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแล้ว พันธ่ตาว่าเด็กมันดื้อขึ้นมามากๆเนะี่ยพระซึ่งไม่ได้เจียดธนหาจะมีลูกนะในสุดก็จะละวางงานที่ส่งเสริมสนับสนุนลูกชาวบ้านให้เป็นเด็กวัดได้เป็นสามเณรให้เป็นภิกษุความเสื่อมก็จะเกิดแก่าศาสนาคือจะขาดแคลนาศาสนาธารญาต ก, กันอย่างแรง คนแก่ก็ตายไปคนใหม่ก็ไม่ยอมเกิดขึ้นมาชดเชยนักเรียนก็ล้มระเนระนาดไปเรื่อยๆจำนวนก็ลดลงมาเป็นแสนๆ แ, แต่เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องน่าห่วงด้วยกันทั้งนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระยาโกนธัญาเทระก็เป็นเรื่องกองพระเทระรูปเดียวนะฮะแต่ว่าประเด็นมันมีเยอะมากทั้งความถลาย